เต่เปิดไปในร้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะเอาผู้อันคนดีนอบน้อมแล้วเนพุทธพุทธานุสติบทที่ห้าเดี๋ยวว่าพร้อมๆกันนะนอบน้อมพระรัตนตรยัยนอบน้อมบุตรเจ้าเวลาสาธยายก็ตามข้อมูลแต่และบุคคลนะก็ระลึกไปด้วยตรึกระลึกคุณไปด้วยนะ อาศัยว่าใช้ศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิปัญญาในการที่จะระลึกเห็นคุณของพระศาสดาใครไม่มีหนังสือก็ฟังหลับตาน้อมฟังเนะือสำหรับผู้ที่ไม่มีหนังสือหรืออ่านไม่ค่อยลอ่านลำบากถ้าพระเจ้าขอนอบน้อนมนมัสการด้วยเสียนก้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้น ผู้ทรงผลแล้วจากคติทั้งปวงทรงกรรมจากเสียซึ่งริมคืออวิชชาพร้อมทั้งตันหาความยินดีทรงเจริญอจฐังคิกะมมร์อันถูกต้องด้วยอมตะบททรงบรรลุสัมพสโพธิญาณเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศพระธรรมจักยังเวนยศัตร์ให้พ้นภัยข้าพระเจ้า ขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกราวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้สรงเกดกว่านาคมนุษย์และเทวดาทั้งหลายผู้อันเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบูชายิ่งแล้วทรงบรรลุพญานันดีทรงส่องแสงแห่งพระธรรมอันประเสริฐทรงเป็นพระมหานาถ ทรงประทานความสุขแก่สัตว์ทั้งปวงทรงปลดเปื่องทุกข์ของหมู่นรชนผู้เกิดเพราะตัญหาเพียงดังฉัดอันชับทาไว้ทรงปราศจากเครื่องผูกพันข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล้าวแด่พระชินาเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงปราศจากหมอกมัวและทุลีผู้ไม่มีทุกข์ในพระทย ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนผู้เป็นนักปราชญ์ทรงเป็นผู้เลิศทรงชำระล้างมนทินคือกิเลสได้หมดจดสเสด็จถึงนิพพานอันไม่มีแดนทรงกระทาการลิตรอนคติเสียได้ไม่มีกิเลสเพียงดังป่าทรงกำจัดธรรมอันเป็นปฏิปักษ์ด้วยพาลิศอันใหญ่หลวงข้าพเจ้า ขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้สเสด็จอุบัติในสกุลที่ผู้มีบุญน้อยยากจะได้พบทรงมีพระรีลาที่งดงามแห่งพระสรีละปรากฏทรงในทั่วใจพบทรงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาผู้อันโลกธรรมทั้งหลาย มิได้ทำให้วันไหวได้ข้าพระเจ้าข อ, อนอบน้อมนมัส ก, การด้วยเสียงกล้า ว, าาวพระองค์นั้นผู้ทรงเป็นใบดุจดวงอาทิตย์ทรงเาผาผลาญบาประธรรมที่บันดิตเกลียดเสียได้ทรงตัดพพสามและเหตุของพบได้เด็ดขาดแล้วทรงมีพระเมตตาแม้แก่บุคคลที่เป็นฆาศึก ทรงมีพระอำนาจอันยิ่งใหญ่ทรงกำจัดอริแม้เป็นพวกทิพในโลกเสียได้ทรงมีอภินยาอันเป็นพริตวิเศษข้าพระเจ้าขอนอบน้อมบุตรด้วยเสียงกล้าวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงสแสวงหาคุณอันใหญ่ทรงเป็นผู้ของมนุษย์และมนุษย์ทั้งปวงทรงได้พยานอันเห็นแจ้ง ทรงอย่างรู้ธรรมทุกประการทรงถึงธรรมอันปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วทรงดำรงอยู่ในโลกแต่ไม่แตดเพื่อนโลกข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกล้าบแต่พระจินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงมีพระเมตตาหาประมาณมิได้ทรงเป็นที่พึ่งของสัตว์อันเป็นเลิศออกจากทุกข์ ทรงแสดงธรรมอันดีด้วยพระเุราเสียงไม่ไม่บกพร่องและด้วยระรวิยะอันไม่ย่อหย่อนโดยไม่ทรงหวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทรงเปรียมด้วยผ้ามหากรุณาธิคุณข้าพระเจ้าขอนอบน้อมนมัสการด้วยเสียงกราวแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้อานวยมัทรสคือพระนิพพานแกมูพระมรคือสาธุชน ทรงประทานโอสดคืออมตา บ, บทอันเป็นสาระแห่งพระบารมีทรงกำจัดความเศร้าหมองเพราะกิเลสผู้พ้นแล้วจากนิวรนาธรรมทรงยังแผ่นดินให้เต็มด้วยเสียงกึกก้องแห่งชัยชนะทรงกระทำชนผู้มีปกติก่าววาจาไม่น่ารักแม้ทั้งปวงให้น้อมกลับด้วยพระวาจาอันแพลล้อทรงเป็นคนดี นี่จากวชิลาสารัฐาสังขะนะอันนี้ท่านพลานาถึงคุณของพระศ า, าสดาแต่บางคำนะวเวลากล่าวไปเราอาจจะมองอัตตบางคำภาษาบางคำใช่ไหมเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะใจยังไม่น้อมนะเพราะอาจจะไม่เห็นคุณนะบางอย่า ง, ย, างยังยกตัวอย่างเช่นบอกว่าพระบรมศาสดานั้งทรงพ้นแล้วจะคติทั้งปวงอย่างเงี้ยเนะ หลายท่านก็เึดคตินี่คืออะไรใช่ไหมนิริยาคติคือการไปเกิดเป็นสัตว์นรกพระองค์พ้นแล้วเดรัจฉานนะคติคือการไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพระองค์กระพนใช่ไหมแล้วก็เปติกคติคติที่ไปเกิดเป็นเปตกระพนมนุษย์ยคติในการเป็นมนุษย์พระองค์กระพนเทวคติ ในการเทวดาเป็นพรมพหมพ้นโมเดียงนั่นแหละพระบรมศา ส, าศาสดาทรงพ้นแล้วจักติทั้งห้ากรรมจัดเสียซึ่งริ่มคืออวิชชาคือความมืดบอดแห่งจิตเนี่ยพร้อมทั้งตัณหาคือความยินดีติดใจในขันในภพเป็นต้นเพราะอะไรเพราะพระบรมศา ส, าศาสดาทรงเจริญอัตถังคิกมักก็คือเจริญอริยมรรคมีองค์8 ใช่ไหมสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติแล้วก็สมาสมาธิถูกต้องอมตะบทก็คือถูกต้องพันิพานเรานี่เจริญสัมมามรรคได้เป็นระยะระยะเนีแต่มรรคของเราเนี่ยยังไม่ได้สัมผัสพันิพานแต่แค่ชั้นโลกีเป็นมรรคเบื้องต่ําเช่นระดับธาตระดับสีเนี่ยนะ เรายังไม่สามารถพัฒนาอริยมรรคให้ถึงระดับวิปัสสนาญาณได้สัมผัสรดของอมตะธรรมคือพันิพานถ้าได้สัมผัสพันิพานครั้งแรกปุ๊บ ก, กิเลสในกระแสจใจจะหายเป็นสมุิเธทบางหาเลยี่ตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสเนะเราก็หวังใช่ไหมถามว่านิโรธาสัจจะเนี่ยเป็นสัจจะที่หน้าปรารถนาหน้าไข่หน้าพอใจเนะหน้าไข่ในที่นั้นไม่ใช่ไข่โดยตัณหาเนะ น่ารักน่าใครในที่นั้นเป็นการน่าใครโดยฉันทะด้วยกัตตกามยาตาฉันทะด้วยกุศลฉันทะเป็นเป็นสัจจะที่น่าปรารถนาของูชาพุทธพวกเราทั้งหลายปรารถนาอะไรปรารถนาความพ้นทุกข์ก็ปรารถนาอมตะบทนี่แหละก็แปลว่าบทที่ไม่ตายบทที่พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายแล้วการเกิดเนี่ยมันเจ็บปวดจะเป็นทรมานเนี่ยต้องมาดูแลใครเยอะแยะหมดใช่ไหม ท้องมานั่งรับปัญหาวันวันห น, นึ่งไม่รู้เท่าไรเนี่ยฉะนั้นการที่เราไม่ได้ถูกต้องอมตะบทนี่แหละเราจึงท่องเที่ยวไปมาในสังสารวัฏอย่างแสนจะเจ็บปวดโทษไม่ครบพระาศาสดานี่นะไม่เข้าหาสัตว์บุรุษไม่เจริญไม่ฟังพระธรรมใช่ไหมพอไม่ฟังพระธรรมเราเลยไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอริยะอัตถังยิกรรมมรรคเออเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นมรรคแปด ที่เป็นมรรคที่พระพระาริยะทั้งหลายมรรคแปดนี่เป็นญาณ น, นะจักสูเนะือเป็นจักสู่ของพระอริยะพวกเราเนี่ยมีจักสู่ประเภทนี้ไหมนี่เขาเรียกว่าตาบอดพวกเราเธอาเรียกว่าเป็นคนบอดเป็นคนหนวกเป็นคนใบ้ถ้ามีใครเขาว่าเราอย่าไปโกรธเขาเนะือเพราะจริงๆเราเป็นอย่างนั้นนะบอดไหมบอดเราไม่เห็นอะไรไม่เห็นอามาตะาบดไง ใครที่เห็นอมตะบทคือบทที่ไม่ตายคือพระนิพพานแล้วเขาเรียกว่าได้จักสู่ของพระอริยะแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปหาหมอเพื่อรักษาผ่าตัดผ่าตัดเพื่ออะไรเพื่อให้ได้จักสุที่เป็นพระอริยะใช่ไหมแต่เราต้องเป็นคนไข้ที่เชื่อหมอไหมพระศาสดาเป็นหมอถ้าเป็นคนไข้ไม่เชื่อหมอ เราก็จะกลายเป็นคนบอดต่อไปเนะ้เราก็จะวิ่งท่องเที่ยวไปในสังสารวัตที่ผ่านมาก็เพราะนี่แหละเราไม่มั่นใจผู้เป็นหมอคือพระาศาสดาไงไม่มั่นใจเรายัางลังเลใช่ไหบางคนเล่าประวัติพระเล่าประวัติหมอคล่องแคล่วมากแต่ไม่ได้ศรัทธาหมอจริงๆเลยเล่านะเล่าได้อย่างคล่องแคล่วเลยใช่บอกว่าเป็นกษัตริย์เกิดในเมือง กบิลพัทเป็นสากยาวงศิษฐ ธ, ธาพ่อชื่อว่าพระย้าสุดโททนะแม่ชื่อว่านางสิรีมหามายาใช่ไหมพอประสูติออกมาแล้ววันแรกก็เดินได้เจ็ดเก้าแล้วกล่าวอาสพิวาจาท่องคล่องเลยแต่ในใจก็ยังลังเรยสงสยัยคนอะไรเดินได้ตั้งเจ็ดเก้านี่นะเห็นไหมก็ไปสอนเับนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีจักสูตรของภาริยะ ไม่ได้เล่าด้วยความลึกซึ้งศรัทธานอบน้อมอะไรหรอกใช่ไหมก็เล่าไปเพ้อเพอบางทีเพราะอะไรเพราะเราเรียนประวัติของพระศาสดาเฉพาะในปัจจุบันนภพเราไม่ได้เรียนเลยว่าพระศาสดาทำอะไรมาใช่ไหมสมัยเมื่อศีลสงไขยิ่งด้วยแสนกับพระบรมศาสดาได้รับพุทธบัญญัตจากพฏิการองครสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนหน้านั้นพระศาสดาทําอะไร ในเรื่องราวต่างๆในชาดกต่างๆพอเราไปบอกเป็นชาดกโอ้เป็นเรื่องแต่งขึ้นเนี่ยไปใหญ่เลยทีนี้ศรัทธาไม่มีอ่ะศรัทธาไม่มีอะเพราะอะไรเพราะเราถูกปลูกฝังผิดพลาดใช่ไหมเราไปอ่านเรื่องราวของพหลังเขียนขึ้นมาใช่ไหมประหลังก็าก็เขียนในเรื่องนิทานบาลามบาลาอะไรขึ้นมาแล้วก็นึกว่นานี่ไง เป็นการสอนเพื่อให้ได้คติเตือนใจเรื่องจริงๆไม่มีลรอกอะไรนกพูดได้กระตายผูดได้ไผยใหญ่ยยเลยใช่ไหมเราก็ไม่เข้าใจเนี่ยนี่ไงเราไม่ได้สืบค้นคำสอนเราไม่รู้จักวัฏตาเราไม่รู้หรอกสังสารวัฏเนโลกนี้มันเกิดขึ้นแตกดับไปกี่ร้อยกี่ล้านหมื่นใบแล้วเราก็ไม่ทราบเราไม่รู้คำว่าสังสารวัฏเลยไม่ทราบเลยนะว่า สังวัตอสงไข์กับวิวัตตาอสงไข์กับสังวตถายีวิวัตตาถายีเนี่ยรวมเบเ็ดเสร็จ4อย่างเป็นมหากับจากมหากับรวมมาเป็นจักรวะเป็นโลกใบหนึ่งจากโลกใบหนึ่งแล้วเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปครั้งหนึ่งใช่ไหมถ้าหากว่าโลกแต่ละใบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโลกแต่ละใบเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลข0ูนย์ศนย์เนี่ย นั่นเรียกว่าหนึ่งอสงไขยเนี่ยนะแล้วพระบรมศ า, ศาสดาสร้างบารมีมายี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัก็ลองคิดดูโอ้ยลพิจารณาอย่างนี้เราจะเห็นเลยนะอันนี้เพียงเห็นคร่าวๆแล้วก็มองโอ้ยแค่คิดเราก็สะเทือนสะท้านต่อภาริยาบารมีของพระบรมศาสดาขันติบารมีสัจจะอธิฐานอะไรเยอะหมดเลยว่าพระาศาสดาทาไมต้องทนทุกข์ทรมานในการที่จะ สั่งสมอัธยาสายปานนี้เพียงแค่กระแสขันของเราเพื่อจะพ้นจากวัฏฏะทําไมพระบรมศาสดาต้องทนเพียรพยายามถึงปานนี้นี่ไม่เห็นคุณนะถ้าเราเห็นคุณของพระบรมศาสดาเชื่อเถอเราไม่กล้าที่จะไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระาศาสดาเราจะบูชาพระาศาสดาได้ทุกอย่างนะเนี่ยการว่ามอบกายถวายชีวิตเนี่ยเราเจอคนอื่นเขียนให้เนะใช่ไหม ข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี่แต่พระพุทธเจ้าเนี่พระอรหันตาาตาเจ้าทั้งหลายท่านมอบได้แล้วก็มาอ่านคําของบระอิยะท่านใช่ไหมแล้วก็บอกข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตแต่เราก็ไม่รู้เหตุผลว่าอยู่ๆทําไมต้องมาโดดถวายกายและชีวิตใช่ไหมก็เลยสักแต่ ว, ว่าทำกันปะทากันไปเนี่ยโทษไม่เห็นคุณนะใช่ไหม ก็อย่างที่บอกเราคิดถึงงานเราคิดถึงพี่น้องคิดถึงพ่อแม่คิดถึงบุตรหลานมากกว่าการคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ท, ที่เราอยู่ในฐานะเป็นบริษัทของพระบรมศาสดาเห็นหมสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ทราบเราไม่ทราบว่าพระบรมศาสดาทรงบรรลุสัมมาสัมพุทยญาณเสด็จไปแล้วเพื่อประกาศธรรมจักยังเวนยสัตว์ใ้พ้นจากภัย ถามว่าพระบรมศา ส, สดาสเสด็จไปประกาศพระธรรมจักเนี่ยสเสด็จจากบริเวณโพธิมณฑลเนืหลังจากได้ตรัสรู้นุตตะสัมมาสัมโพธิญาแล้วได้ประกาศบอกพรมบอกให้พรมช่วยกระจายข่าวให้บุคคลที่นับถือท่านเป็นต้นบูชาท่านเป็นต้นเนี่ยช่วยบอกน้อยว่าจะสัตว์ทั้งหลายปรารถนาจะบรรลุธรรมเนี่ยให้สัตว์เหล่านั้นน่ยได้มีศรัทธาจงปล่อยศรัทธามาที่เราใช่ไหม คำว่าปล่อยศรัท ธ, ธาแล้วว่าอะไรแปลว่าจงทำศรัท ธ, ธาให้เต็มห้องใจขยายห้องใจอันน้อยนิดนะันให้เพิ่มพูนสัททินซีให้แข็งแรงขึ้นถ้าศรัท ธ, ธาไม่ตั้งมั่นจะเป็นปัจใจแก่วิริยะคือความเพียนที่จะทำกุศลให้ติดต่อไม่ได้พระกุศลเฉวนะที่เกิดขึ้นอย่างติดต่อไม่มีบาปแทรกเลยในขณะแห่งวิถีจิตในขณะแหงเวนะจิตนั้นแหละ นั่นแหละเขาเรียกว่าเพียนชอบเพียนชอบเขาเรียกสัมมาวายามะทีนี้การที่จะเพียรชอบได้นั้นต้องมีสัตตินีเป็นประธานใช่ไหมวิริยะเนี่ยเมื่อเพียนเมื่อเพียรประกอบกุศลอยู่เนืองนิดเนี่ยสติจะแข็งแรงไงสติก็จะไปตั้งมั่นตั้งมั่นก็คืออะไร <c oughs> พุทธานุสติไงเนี่ยพุทธานุสติเนี่ยระลึกอะไร ละลึกเห็นคุณของภาษาสดาอาละลึกเห็นคุณของภาษาสดาเนี่ยละลึกแล้วได้อะไรจะได้จิตที่ตั้งมันน่นอ่าเมื่อจิตที่ตั้งมั่นก็แปลว่าอะไรจะได้อะไรก็จะได้พ้นจากมิวรธรรมไงธรรมที่เป็นกรารมฉันทะที่ไปทาไปกุ้มรุมทำให้จิตใจเล่าร้อนเนี่ยกรารมฉันทะเนี่ยความกําหนัดความยินดีความเพลิดเพลินไงและจะได้พ้นจากพยาบาทไง งุดหงิดฟุ้งซ่านลำคาญใจจิตใจมันแฟบลงนั่นแหละนั่นแหละพยาบาทบางทีเราไม่ได้ไปโกรธใครไปล่ําเป็นสารนะแต่ภาวะที่จิตใจไม่แช่มชื่นจิตใจที่เหี่ยวแห้งจิตใจไม่ อ, อึบอิ่มนั่นแหละอันนั้นพยาบาทกุ่มรุมแล้วแล้วก็ถีนมิทะภาวะที่จิตหนักสภาพจิตใจที่หนักหนักมากอืดมากเพราะก้มถีนมิทะเนี่ยเป็นธรรมชาตินั้นทําให้จิตหนัก เมื่อหนักก็เป็นยังไงก็เป็นไปกับบาปไม่ล่าเริงไม่ผ่องใสแล้วก็วิจิกิจฉาธรรมชาติที่หมุนอย่างกระลูกข่างหมุนรอบด้านไม่ปักใจเชื่อพระรัตนตรัไม่ปักใจเชื่อพระพุทธเจ้าจริงๆเเขาไปสวดมนต์ทำวัดก็ไปนะไม่ใช่ไม่ไปเขาทําบุญก็ทํา ทำและคิดเป็นไหมไม่เป็นน้อมเป็นไหมอ่ะไม่เป็นไม่เป็นแล้วเพราะอะไรเพราะไม่เชือเ่อเพราะยังลังเลทำไมถึงลังเลเพราะจิตใจยังสัดสายทำไมจึงสัดสายสมาธิไม่ตั้งมัน่นอ่ะทำไมจึงไม่ตั้งมัน่นเพราะสติไม่เกิดอ่อะทำไมสติไม่เกิดเพราะไม่มีความเพียรในการเดินกุศลทำไมจึงไม่มีความเพียรเพราะไม่ได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าทาไมจึงไม่ศรัทธาพระพุทธเจ้า เพราะไม่ฟังธรรมทำไมถึงไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ครบสัตวบุรุษทำไมจึงไม่ได้ครบสัตวบุรุษเพราะไปอยู่ในถิ่นที่สัตวบุรุษเขาไม่อยู่ไปอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะทำไมจึงอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่ได้ทำบุญเก่าไว้อทำไมจึงไม่ได้ทำบุญเก่าไว้เพราะไปตั้งมิจฉาปณิทิขไว้ไปคิดผิดไว้ไปตั้งมิจฉาทิฏฐิไว้ในอดีตก็เลยทาปุเพกตะุญญตาไม่ถูก เมื่อไม่มีปุเพกตะปุญญตาก็เลยมาอยู่ในถิ่นที่ไม่เหมาะเพรอโยนถิ่นที่ไม่เหมาะก็เลยไม่ได้ฟังไม่ได้ครบสัจบุรุษใช่ไหมพอไม่ได้ครบสัจบุรุษก็เลยไม่ได้ฟังธรรมพอไม่ได้ฟังธรรมก็เลยไม่ได้โยนนิโสไม่ได้ศรัทธาพอไม่ได้ศรัทธาก็เลยไม่ได้ความเพียรพอไม่ได้ความเพียรก็เลยไม่ได้สติพอไม่ได้สติก็เลยไม่ได้สมาธิพอสมาธิไม่มีแล้วปัญญาจะเกิดได้ไหมปัญญาจะไปตั้งที่ไหนเพราะปัญญาเป็นปัจัยฐานเป็นเหตุใกล้ของ ปัญญาหรื อ, อสติเป็นเหตุใกล้ของปัญญาใช่ไหมถ้าปัญญาไม่เกิดปัญญาจะมาเกื้อกูลศรัทธาได้ไหมพอเกื้อกูลไม่ได้ศรัทธาก็อ่อนเองถึงบอกกับศรัทธาที่ไม่ค่อยตามปัญญาอ่อนเองไหมพอไม่ตั้งมั่นที่ผ่านมาเนี่ยศรัทธาวิทยาสติสมาธิไม่ตั้งมันนมมมงม่นเพราะไม่มีปัญญานำหน้าต่อไปพอรู้เรือยังเห็นไหมทำมาทุกอย่างมีเหตุผลไหม มีเหตุมีผลหมดเลยถ้ามองอย่างนี้เราจะรู้เลยว่าเราให้เหตุปัจจัยของสรุปก็คือว่าให้เราไม่ได้เติมอาหารของศรัทธาไม่ได้ให้อาหารของวิริยะไม่ได้ให้อาหารของสติสมาธิและปัญญาต่อไปเราจะต้องไปให้อาหารไหมร่างกายยังต้องให้อาหารไหมถ้าหมดอาหารร่างกายเดินได้ไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในกระแสใจของเราท่านทั้งหลาย ไม่ได้ให้อาหารมานานแล้วมันถึงแห้งแลง้งอ่ะมันถึงแห้งแลง้วแล้วต่อไปนะถ้าจบกิจกรรมแล้วเราจะไปให้อาหารได้ยังไงตอนี้เราชอบเลี้ยงอินรีห้าไหมชอบไหมไม่ชอบก็อี ก, กทำไงทีงนี้แล้วก็ปล่อยไปตามเยถากรรมตัดโลกก็เลยเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามกรรมใช่ไหมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนใช่ไหม ตรงนั้นเราคิดว่าเราไม่ได้ทำกรรมไหมปัจจุบันกำลังทําอยู่ไหมเรากําลังทํากรรมผิดหรือถูกถ้าทำกรรมถูกหนึ่งจึงจะได้ศรัทธาใชู่ไหมก็สังเกตไม่ยากหรอกถ้าเจอหน้ากันเนี่ยศรัทธามันอ่อนลงก็แสดงว่าเจอหน้ากันต้องทักกันยังไงเป็นยังไงทํำไมศรัทธาน้อยลงใช่ไหมทําไมไม่ให้อาหารของศรัทธาทำไมเห็นรู ป, ปรกายสําคัญกว่านา ม, มาทำแล้วใช่ไหมต่อไปนา ม, มาทำสําคัญไหม สำคัญมากนั้นอย่าแปลกใจนะที่เราไม่ได้บรรลุภูษุธรรมชั้นสูงเพราะเราขาดการให้อาหารอาหารตัวนั้นแต่สัพทธรรมะเขาเรียกว่าให้ปัจจัยก็คืออาหารนั่นเองนามธรรมต้องอาศัยกินอาหารไหมแต่เรากลับไปให้อาหารของโลภะเราไปให้อาหารของกามาฉันทะใช่ไหมอาหารของพยาบาทอาหารของถินมิท้า อาหารของวิจิตรฉาอุทธจฉาและอวิชาโอ้โหเราไปให้อาหารของกลุ่มนิวรธรรมทุกควันเลยมีวันไหนไหมที่เราจะไม่เลี้ยงโลภะมีวันไหนไหมที่เราจะไม่ให้อาหารของโทสะแทบไม่มีเลยใช่ไหมน่าเจ็บใจจริงๆเราเป็นมัวพอกพูนอามิตรเนี่ยนะเราไปสำคัญว่าอามิตรเป็นมิตร่ย เราไปเห็นว่าสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระจริงๆมานานใช่ไหมเออเรานิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสาระเช่นโลภามันอยากจะทําอะไรเราก็ให้อาหารมันเต็มที่เลยโทสะอยากจะได้อะไรเราก็ให้อาหารมันเต็มที่เลยอันนี้แปลว่าเราให้อาหารผิดไหมผิดแล้วตอนนี้มันโตขึ้นเยอะอยังแข็งแรงหรือยังเนี่ยโอมันออกมาฟาดงวงฟาดงาบ่อยมไหมใครเป็นคนเลี้ยงมันความไม่รู้ใช่ไหม ความไม่รู้นี่เป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของอวิชชาเนี่ยความมืดบอดแห่งดวงตาปัญญาคือจิตมันมืดบอดเราก็เลยแยกไม่ออกวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้จะบางทีก็คิดไม่ออกใช่ไหมทีนี้คิดออกอยังงั้นเวลาเรากลับไป่องเกี่ยวข้องกันอยู่ไหมยังสนธนาปลาใสากันอยู่ไหมกลุ่มนี้มีไหม มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่ไหมไม่มีเลยเลยมีว่ะห่ อ, อ น, นิดหน่อยก็ต้องคบกันเขาไว้จะได้สอบถามเป็นยังไงวันนี้ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาของคุณเป็นยังไงมันวิ่งขึ้นกว่าเดิเดมหรือมันพบลงถามกงนแล้วก็จะได้ให้ข้อมูลใช่ไหมมันหมดตั้งแต่วันสุดท้ายแล้วอย่างนี้หรือเปล่า ไม่ใช่เลยนะกิจกรรมหมดในกิจในการเจริญกุศลหมดไหมไม่หมดเนะี่ยวันใดที่เราควรจะเลิกในการเจริญกุศลถ้ายังไม่พ้นทุกเลิกเจริญกุศลไม่ได้ใช่ไหมถ้าได้สัมผัสพระนิพพานสี่ครั้งเมื่อไหร่วันนั้นค่อยเลิกเจริญกุศลสัมผัสครั้งแรกเป็นโสดาบันใช่ไหม ครั้งที่สองเป็นภ้าสะกาทาคาครั้งที่สามเป็นผ้านาคาถ้าได้สัมผัสสี่ครั้งเป็นผ้าหลานอยู่นั่นแหละต่อไปไม่ต้องใช้กุศลอีกแล้วตอนนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้สําคัญไหมสําคัญมากแต่นับตั้งแต่วันนี้ไปสิ่งที่ไม่ควรใช้เลยคืออากุศลคือบาปนไม่ควรใช้เลยแล้วเราจะทํำยังไงในภาวะที่เรามีใจอ่อนแอขนาดนี้ ทำยังไงดีเพราะว่าถ้าบาปมันมาขอร้องมันอยากจะมาเกิดในห้องใจเราอีกเราก็กลายเป็นคนใจอ่อนใช่ไหมเราเป็นคนยอมบาปนะถ้าโลภะมันมาขอร้องบอกเอออย่าพึ่งปฏิเสธเราเลยขอเกิดอีกสักนิดเถอะควรไว้ใจมหมเพราะเขามาเนี่ยเขาไม่ใช่คิดแค่นิดเดียวใช่ไหมพอมาในที่สุจริงๆเขาก็ทําเราเสียหาย อทโทสะมันขอขออาศัยเกิดนีด้เดียวจะไม่เกิดมากไว้ใจได้ัหมบาปนั้นนีด้เดียวก็ไว้ใจไม่ได้นิดเดียวก็ไว้ใจไม่ได้เพราะมันเป็นความเลวทรามเนะเป็นความชั่วเป็นความลามกเนะมันให้ผลเป็นทุกข์และมันเบียดเบียนกระแสชีวิตของเราเองมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยออกจากทุกข์ออกจากปัญหาออกจากความกังวลก็ไว้ไม่ได้เพราะบาปนี่หล ก็เพราะบาปนี่แหละเพราะเราไม่ฉลาดในการป้องกันเขาเราเนี่ยเป็นประเภทเด็กน้อยไม่กลัวไฟไม่กลัวไฟใช่ไหมแม่ก็บอกว่าอย่าไปจับไฟนะลูกอย่าไปจับไฟนะลูกจับปุ๊บร้อนใช่ไหมบางทีจับแล้วก็ปล่อยไม่เป็นด้วยพระบรมศ า, าสดาก็บอกอย่าไปทำอย่าไปทาพระเจ้าคือพ่อใช่ไหมเป็นพ่อเป็นบิดาเนี่ย บอกว่าอย่าทำทำแล้วมันจะให้ความเจ็บปวดแต่เราก็เป็นประเภทคนดื้อใช่ไหมเปิด ร, รมก็มาก็ไม่มีอุบายในการทิ้งไฟได้แต่บนกันร้อนจริงโว้ยร้อนจริงโวยลองไปภาษาสดาก็บอกให้ทิ้งเสียไฟคือราคาโทสะมโมหะเนี่ยแบกมันไปทำไมด้วยฟืนเนี่ยเราฟังก็ไม่เข้าใจใช่ไหยไม่เข้าใจให้ใหทิ้ง เออคืเราแบกมาตั้งนานยังมาบอกให้เราทิ้งได้ยังไงใช่ไหมก็แบกกองไฟวิ่งตะโกนออกไปก็ยังบอกว่าร้อนจริงโว้ยร้อนจริงโวยไปอเป็นยังไงจริงไหมเราไม่เชื่อพระศ า, าสดานะไม่เชื่อถ้ามีคนบอกให้เราทิ้งเราก็ต้องเอะใจแล้วเอออันนี้ท่านหวังดีแน่นอนเนี่ยเพราะที่ผ่านมามันร้อนมาตลอดนี่ใช่ไหมนี่เราต้องการจะดับความว่าเราร้อนเนี่ยทําไมเราไม่ทิ้ง ทิ้งต้องทิ้งแบบมีอุบายไหมมีบริบาทต้องฝึกขัดเกลารถ้าเรารักเขามานานมันไม่ได้ทิ้งได้ภายในฉับว่าทันทีนะเพราะเราไม่ได้สั่งสมอัธยาสัยใดๆมาเลยอ่ะแล้วจะทิ้งยังไงมันไม่ใช่ทิ้งแบบประเภทเดินออกปุ๊บแล้วทิ้งละไดเด็ดขาดที่ไหนใช่ไหมต้องมีอุบายเยอะมากแล้วข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระด้วยเศียเก้าวเดวพรัชินาเจ้าผู้ประเสริฐกว่าหน้า นาคะเปผู้ประเสริฐมนุษย์ yani และเทวดาทั้งหลายผู้อุนเทวดามนุษย์ทั้งหลายน่ากบูชาอย่างยิ่งแล้วทรงบรรลุญาณดีสัพยุตยานนะที่พระศาสดาทรงบรรลุเนี่ยญาณดีในนั้นเป็นชื่อของสัพยุตยานนาวรณัญาณอินทรียาปรปริียติยานมหากรุณาสมาปฏิยานยมากาปฏิหาริยญานอาศยานุสญาณก็เรียกอาสาธัตนญาณหกประการนะเนี่ยรายละเอียดค่อนข้างเยอะถึงคนมิตร คนเวลาท่านได้ข้อมูลเนี่ยเยวลาท่านสาธยายปุ๊บเนี่ยท่านชัดเจนไหมท่านจะชัดเจนดีนดโอ้ท่านรู้ว่าพระบรมศาสดาเนี่ยมีพยานที่ยิ่งกว่ามนุษย์ใช่ไหมเขาเรียกอสาธารณัยานปแปลว่าอะไรพรยานที่ไม่สาธารณะแก่บุคคลทั่วไปแปลว่าอะไรบุคคลในสากรและจักรวาลทั้งหลายไม่มีโอกาสได้พยานอย่างนี้เลยอัปราถนาจะได้พยานแบบนี้ต้องสามสิบทัศ พอดีทําได้ไหมคิดได้แต่ทําบางคนเนี่ยแค่จะบําเพ็ญทานบารมียังนั่งกึกกักกึกกักอยู่เลยใช่ไหมโอ้ยยังไม่เข้าใจแม้ชั้นของทานบารมีเลยอะไม่ต้องพูดถึงว่านั่นเลยแค่จะภาลนาคุณยังใจยังไม่ไปเลยอะเคยเป็นไหมแค่จะภาลนาคุณของพระบรมศาสดานึกปากก็ท่องแต่ใจไม่ไปอะ่ะ ข้าพเจ้าขอหนอบนอบูชาส ก, การะแด่พระตถาคตพุทธะอะไรพุทธะอะไรใช่ไหมทุกบทติดขัดทุกบทแปรอึดอัดด้วยเอาสิเพั้นตรงนี้ก็แสดงว่าใจเรายังไม่ไปเยอะเลยนะใช่ไหมต้องดัดไหมต้องดัดเหล็กใหญ่ๆขนาดเสาเนี่ยเคยเห็นเขาเด็กเขาดัดได้ไหมเหล็กขนาดเสาเนี่ยโอ้โหเขาดัดได้ยริงจริงมั้ย เคยเห็นทางทางหลวงมไหมเคยเห็นทางไอ้วันเวไหมเคยเห็นทางไอ้โทเวไหมโทเวย์ไม่ ไ, มได้บ้านเราเบียเสาวตอไม่เอาแล้วเอาเงี้ยเดียวเอาเดีย ว, เ อ, เ, ยวเอาทางไหถ้าเราไปเห็นที่เขาสร้างตึกใหญ่ให ญ, ใหญ่ใช่ไหมเหล็กดัดได้อะแต่ใจของเราดัดไม่ได้ไอเหล็กไหมนี่จะแดงว่าเราไม่ไม่น้อมที่จะดัดจักใช่ไหม โอนยถ้าเราไม่เคยเห็นเ็าฝึกม้าเนี่ยฝึกวัวฝึกควายนะแล้วก็ฝึกช้างเนี่ยฝึกยากหมดเลยเนะเนี่ยถ้าใครไปอินเดียจะเห็นเลยอโอ้เขาฝึกจนเชื่องเลยขนาดขี่บนหลังที่เขาเอาบรรทุกเวียนไปเนี่ยนะเขามีอาหารให้กินนิดเดียวแล้วแขวนไว้ตรงปากแล้วเขาไปไหนก็ได้มันก็ยืนคอยอยูน่นั่นแหละ นี่ก็ฝึกจนเชื่องกลัวจะเชื่องงั้นต้องใช้เวลาเยอะไหมโอ้โหต้องใช้ปะตักแทงไม่รู้เท่าไหร่นะ่น่ะแทงจนเลือดไหลช้างตกมันเนี่ยช้างตกมันเนี่ยฝึกโอ้โหช้างเนี่ยเขาใช้ขอฝึกเนี่ยคอสับสับ ส, บ ส, บสบจนเลือดไหลอาบนแล้วเราเคยสับตัวเองขนาดมันมันมันใจที่น้อมไป็นหาบาปดีนักแล้วก็กระทุ้งแรงแรงได้ไหมใช่ไหม ไม่กล้าเนี่ยเราตามใจเขาเนี่ยอย่างเช่นเกียดตค้านเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดความเกลียดตค้านไม่น้อมในการเจริญกุศลไม่ปรารถนาจะสวดมนต์ไหวพระเจริญกุศลใดๆเลยเนี่ยแลบางคนยังไปคิดผิดเนะบอกว่าโอ้ยสวดมนไม่มีประโยชน์หรอกเพราะเราจเจริญกรรมฐานแล้วเข้าสู่ห้องกรรมฐานแล้วการสวดมนจะทําให้อารมณ์กรรมฐานเสียหายเอาเชื่อไม่เป็นเงี้ยจริงไม่จริง ขัดวิมุตตายตนะห้าประการ น, นืนขัดเลยขัดไปสร้างไปปิดกั้นขวางกั้นขนทางบรรลุข้อหนึ่งคือสาธยายสาธยายเลยถ้าบอกวิมุตตายตนะอยู่ในทีนิกายปฏิฆวะ ก, ก็มีใช่ไหมหมวดห้าหรือในอังคุตตะรนิกายปัญจการนิบาศก็มีอีกหลายที่เลยนะ อันนี้เป็นพุทธพจน์ไหมเป็นพุทธพจน์นะพุทธพจน์แปลว่าคําพูดของภาษาสดาแล้วพระบรมศาสดากล่าวไว้อย่างเนี้ยใครบังอาจไปปิดช่องทางการบรรลุของภาษาสดาท่านผู้นั้นชื่อว่ากล่าวผิดหรือกล่าวถูกกล่าผิดนะตรงนี้เราต้องเคารพภาษาสดาใช่ไหมวันนี้ทีน้ำพิทาเล่นการเยอะไหมเยอะเลยเลย ที่นนิะเล่นเงินอมีไปนี่ยเลยไม่เป็นไรไปเถอะถ้าหากเกิดเสื่องซึงมง่วงเหงาเข้านอนทำไงดียืนฟังธรรมก็ได้เนี่ยถ้ายืนทุกคนก็รู้เลยว่าท่านบุญนี้เป็นซสื้อนั่งหลับปุ๊บๆบปบดีกว่าใช่ไหมตรงนี้ก็คือว่าทรงส่องแสงแห่งพระธรรมเันประเสริฐทรงเป็นผ้ามหานาถ อันนั้นแปลว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งของใครของสัตว์โลกถามว่าพระบรมศ า, ศาสดานี่เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกนี่ยทุกยงพวกเลยไหมมนุษย์เทวดามาพรพลมหมดเลยแต่ว่าท่านเหล่านั้นถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรคือที่พึ่ ง, งเงินเกษมอะไรคือที่พึ่งเงินสูงสุดคําว่าที่พึ่งเนี่ยบางคนไม่รู้ว่าคืออะไร คำว่าสารณะสารณะเนี่ยสารณะศัพท์นี้แปลว่าเป็นเครื่องกาจัดภัยก็ได้นะเป็นเครื่องกาจัดภัยเมื่อกาจัดภัยได้แล้วจึงได้ที่พึ่งอันประเสริฐเนี่ยนะประทานความสุขแก่เหล่าสัตว์ทั้งปวงปลดเปลื้องทุกข์ของเราของมวลนุชชนเอะอย่างนี้เราดูเหมือนว่าปลดเปลื้องขึ้นอย่างนี้นะถ้าพระแสดงธรรม เป็นไปตามลําดับคําสอนนะแสดงเป็นไปตามลำดับป๊อป ป, ป๊อ ป, ป, ปตามลําดับเนี่ยจบปุ๊บแล้วเราบรรลุแปลว่าเราขึ้นจากหล่มจากโคลนตมได้อันนั้นเนี่ยเราที่สามารถออกจากหล่มออกจากโคลนตมออกจากความเห็นผิดเป็นต้นได้นั้นเน่ยพระศาสดาเป็นผู้ดึงเราขึ้นมาจะผ่านใครไม่มีประมาณเพราะพระธรรมเป็นของพระศาสดาท่านนี้เราเริ่มเห็นแล้ว ใช่ไหมตอนนี้เรายัางตกลมอยู่ไหมอะมอาอยังตกอยู่ไหมตกแต่ยังจําระธรรมได้มาก็บอกคนอื่นว่อ <ite> ใครจะขึ้นก่อนใครเนะี่ยเอาใครจะขึ้นก่อนใครดี <ite> ถ้าใครขึ้นก่อนก็ยิ่งชดอะมาขึ้นเลยนะยังชดุดเกินเพราะว่านี่เขาเรียกว่าผู้ตกล่มกล่าวระธรรมใช่ไหมเก่าวระธรรม ผู้เกิดเพราะตัณหาเพียงดังฉัดอันฉาบทาไว้ทรงปราศจากเครื่องคือพระปรมศาสดาตอนเกิดมาได้รูปขบรวมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยตอนนั้นที่เป็นเจ้าชายสิีทัตถาเป็นต้นตอนที่ยังไม่ได้ตัดสู้นุตละสมมาสมปอริยาณตอนนั้นเกิดมาเพราะตัณหาหรือเปล่าที่จริงอะอมาเนี่เวลากล่าวพระธรรมมามีอัธยาศัยเก่าวเร็วเนีะจริงๆว่าเขาก็พวกเราฟังไปตอน จริงๆมาเป็นคนคิดอัตยาศัยมาก็มากล่าวชะชาพราะกล่าวชะชาพวกเราก็ง่วงกันเลยดถ้ากล่าวเร็วเดี๋ยวฟังไม่ทันใช่ไหมจริงๆมาเป็นคนที่เสียดายเวลาเสียดายข้อมูลอยากจะให้อยากจะให้แต่ก่อนโอ้โหไปกล่าวอย่างนี้แหละตอนไปบรรยายครั้งแรกเนี่นะเอามากล่าวเอามาก็นีึกว่าปกติธรรมดาพ่ามาไม่เคยไม่เคยเจอโฆษณาอะไรก็ใครเยอะๆเลยมั้มาก็กล่าวเต็มที่วเพะพราะเพรไปเลยนะ บัเสร็จมีพระคนหนึ่งก็ไปฟังเขาถามว่าใครเนี่ยตัดต่อซีดีนะว่าไม่มีช่วงหายใจเลยว่างั้นอามาก็ไม่ทราบเขถามอาวมาโอ้ท่านบรรยายดีนะว่างั้นแต่พูดเหมือนไม่หายใจมันฟังไม่ทันมันคิดไม่ออกเขว่างั้นนะอามาก็นึกแต่มารู้ว่ามาไม่ใช่มาพูดเร็วจริงพูดเร็วจริงเนี่ยมาพูดเรื่องวุตถคุณหรือธรรมคุณอะไรก็คุณ ผูดจจ้ดยใจศรัทธานะุนี้นี้เอเ้วันเลอะ อ, องเดียวคือจริงๆคือมาระยะหลังพอมีคนทวงว่าพูดฟังไม่ได้ามาก็เลยค่อยๆช้าแล้วให <c oughs> <c oughs> จริงๆความที่ปราตนางหายเขาเก็บข้อมูลเราก็ไม่ทราบอามาก็ประเมินคนฟังไม่เป็น ก็นึกว่าคนฟังเนี่ยเขามีข้อมูลเพราเขาบางคนเข้าวัดมา20 30ปีกันใช่ไหมเอามาโอ้โหนักฟังทำทั้งนั้นเลยี่ยดีแล้วจะได้เขาเห็นคุณของภาษาสดาเอามาก็ได้ใหญ่4ชั่วโมงในรวดเลยนะ4ชั่วโมงนะเข้านะเข้าเหลียวมาข้างหลังเริ่มหลับแล้วมาเออันนี้ชักแล้วนี่ไม่ค่อยได้เรื่องเลยเอามาก็นึกเอามาก็เห็นแต่ในอดีตใช่ไหม เห็นแต่ในดีกเขามีศรัทธากันเลยป่านนั้นเนี่ยพนมมือฟังทำกันได้ตลอดเงี้ยนะยืนฟังทำก็มีฟังทำ12ชั่วโมงบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแล้วมาเราฟังอะไรต่างหรือว่าศึกษาพระธรรมมาก็ตื่นเต้นอ่ะ <c oughs> เรามันเหมือนว่าเออเนี่ยภาษาสดาประเสริฐแท้พระธรรมของภาษาสดาก็ตื่นเต้นนั่นไปนั่นมาคนอื่นเขาไม่ได้ตื่นเต้นก็แล ก็เลยเออต่อไปชักแมก็เลยค่อยๆผ่อนผ่อนๆนะเข้านเข้าเลยพูดไปทั่วเลยเดียด๋วย <c oughs> วนี้เรื่องแปลกถ้าออกมาเอาสูตรมาเดินจริงๆเนี่ยนะเดินตามสูตรเนี่ยนะป๊าป๊าป๊าปเนี่ยทุกคนฟังหลับหมดเลยแปลกจริงอันเป็นพ่ออะไรไม่รู้คนเดี๋ยวนี้ฟังธรรมะยาวไม่ได้จริงจริงพ่ออะไรถูกไหมสติไม่แข็งแรงเพราะศรัทธาไม่มั่นคง วิริยะไม่แข็งแรงด้วยสติเพราะระลึกตามอะ่ะใช่ไหมตามพระตามธรรณาได้ทุกคำอะ่ะไม่ได้หลุดหลุดตลอดหลุดตลอดบ่งบอกว่าเราบกพ่องทางอะไรนะอินทรีย์ห้าบกพ่องนะบกพ่องก็คือศรัทธาอ่อนเนี่ยนะไปจนถึงที่สุดก็คือปัญญาก็อ่อนอ่อนแอเลยจะอ่อนไปหมดเลยทีนี้ ตรงนี้คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมนะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาหูจ ม, มูกลิ้นกายใจของเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมาได้เกิดมาเพราะเจตนากรรมในดิดมีตัณหาฉาบธารมไหมมีที่แรกไม่มีได้ไงล่ะฉะนั้นการเกิดเนี่ยตัณหาต้องให้ให้ตัณหาเป็นสมุทยาาาัยสัจจการอุบัติเกิดขึ้นของสิท ธ, ธัตถาราชกุมารครั้งแรกเนะี่ย ในกาละละนี่นะเออขอไปพระศาสดาประทับที่แรกเลยจะไม่นั่งประทับเลยเนะี่ยตัณหาเนะี่ยเป็นเหตุนําปฏิสน ธ, ธิ์ี่ยนี่ตัณหาเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสู้นี่ให้ตัณหาเป็นประแจกระทุกกรทุกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เกิดขึ้นมาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนั้นในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยตัณหายังไม่ถูกกระชากยังไม่ถูกละโดยสมุเทเถฒทหาร แต่มั่นใจไหมมั่นใจตั้งแต่อยู่ในท้องก่อนหน้านั้นด้วยถามว่าเอา้าพระโพธิสัตว์เนี่ยมั่นใจว่าจะได้เป็นพระเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่<ม>ได้แก่รับพยากรณ์ น, นั่นเองตอนที่นอนทอดกายถวายเป็นมอบกายถวายชีวิตถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองพอได้รับพยากรณ์ตูมนี่มั่นใจไหมมั่นใจประดุดว่าสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยอยู่เฉพาะหน้า อยู่เฉพาะหน้าเลยได้แน่มั่นใจเลยแต่อีกเสียสงไข่ ย, ยิ่งด้วยแสนมหากรัปนะที่มั่นใจคํานั้นโอ้โหต่อไปเนี่ยเพียรยิ่งวิริยะก็ยิ่งใช่ไหมปัญญาเอยเมตตาเป็นปุเราจาริกนําหน้าโหยิ่งมากเลยทีนี้ระดมเต็มที่เลยบารมีทุกข้อเค ร, ระดมกองทัพเลยกองทัพของบารมีสิบประการเนี่ยนะ เขาเรียกทานาเจตนายโยทาท า, นาเนี่ยเป็นกองทัพมหึมาเลยขับเคลื่อนบารมีขนาดนั้นเลยเนี่นะก็บำเพ็ญมาด้วยความเต็มใจที่จะขนสัตว์หรือสัตว์เนี่ยนยอมทุกยอมทรมานานี่นะฉะนั้นจึงเกิดมาจากเครื่องฉาบทาตั้หาเพียงดังดังฉาดอันฉาบทาไว้ และทรงปราศจากเครื่องปลุกพันธ์คือตัณหาไดา้ก็แปลว่าต่อมาก็ได้ตัดสรูปเป็นพุทธเจ้าละกิเลสเป็นสมุทเฉทปหารเลยข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาด้วยเสียงก้าแด่พระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงปราศจากหมอกนะมัวเห่งและทุลีทุลีเป็นชื่อของราคะโทสะโมหะเป็นต้นนะเป็นชื่อของทุลีหมดเลยกิเลส ไม่มีทุกข์ในพระไทยแล้วอย่างเรามีมีทุกข์ใจอยู่ไหมในนั่งๆอย่งนี้ยังมีทุกข์ใจกันอยู่ไหมเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมทุกข์กายด้วยไหมทุกข์กายไม่ต้องพูดถึงถ้ามีกายเมื่อไหร่ก็ต้องเป็นทุกข์อยู่แล้วใช่ไหมทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชนผู้เป็นนักปา่าทรงเป็นผู้เลือ่อทรงชำระล้างมวลทินคือกิเลสได้หมดจดสเสด็จถึงพระนิพพานอันไม่มีแดนไปว่า น, นิพพานเนี่ย ทรงกระทาการลิดรอนคติคติทั้งห้านะไม่มีกิเลสเพียงดังป่าทรงกาจัดธรรมมันเป็นปฏิปักษ์ด้วยผลิตอันใหญ่หลวงด้วยตรงนี้ก็คือว่าที่ขอบอผู้เสด็จอุบัติในสกุลผู้มีบุญน้อยยากที่จะได้พบเอาละสิไม่ใช่การที่จะได้พบพระศาสดานี่บุญบุญไม่มากจะได้พบไหม บางคนเนี่ยเอางี้ที่ผ่านมาเนี่ยเอาที่ผ่านมาเอาที่ว่าเดินเข้ามาเป็นอุบบัทของพระเจ้ากันนี่แหละได้พบพระศ า, าสดากี่ครั้งเอาเลยแต่นี่มานั่งถามตัวเราเองเนี่ยคนที่มีบุญน้อยน่ยยากที่จะได้พบเพราะคิดไม่ได้ว่าพระศ า, าสดาคือใคร ใช่ไหมอะไรเป็นพทธเจ้ายังมองไม่ออกเลยอะ่ะอะไรเป็นพทธเจ้าคนดู <c oughs> เรื่องนาคิดเนี่ยอตอนนี้ตอนนี้บนน้อยอยู่หรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้ได้พกภาษาสดา ย, ยังเดี๋วตรงนี้ต้อง ต, ต้องต้องต้องเป็นเรื่องหน้าคิดแล้วเนี่ย